ทีนี้หลวงพ่อก็พูดต่อนะพูดต่อก็คือเรื่องในปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้เนาะผู้ปฏิบัติสำหรับผู้ใหม่เนี่ยแม้กระทั่งผู้เก่าก็ยังมีความเห็นผิดอยู่เห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดอยู่สามสี่เรื่องนะมีความเห็นผิดเช่นเห็นผิดว่าออของที่มันไม่เที่ยงเนี่ยนะเห็นว่ามันเป็นของเที่ยง หมายว่าว่าไอความจริงสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนแปลงไปมีแล้วหมดไปแต่ผู้ที่เห็นผิดเห็นว่าอันนั้นเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนมันจะไม่เปลี่ยนมันคงที่อ่ามันมีอย่างไงมันก็อยู่อย่างนั้นอย่างถาวร อ, อันนี้คือความเห็นผิดข้อที่หนึ่งความเห็นผิดข้อที่สองเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปเห็นว่ามันเป็นสุข นะสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่ไปเห็นผิดว่ามันเป็นสุขก็เลยทำให้เกิดปัญหากับชีวิตเพราะเห็นผิดแล้วก็ข้อที่3คือเห็นว่าไอธรรมชาติธรรมะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย มันเป็นอนัตตาคือความจริงมันเป็นอนัตตาแต่ไปเห็นผิดว่าเป็นอัตตาอัตตาคือเป็นตัวตนเป็นกูอ่าเป็นกูเลยทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าเห็นโถคือมันไม่เป็นกูแต่มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนอยู่จริงทีนี้อันที่สมเห็นผิดว่าไอ้ของที่ไม่งามนะอย่างร่างกายเนี่ยผิวพันธุ์ที่ว่ามันงามมันงาม แต่จริงๆอะสิ่งพวกนี้มันเป็นของไม่งามเพราะนั้นเลยเห็นผิดจากของที่ไม่งามว่ามันเป็นงามสข้อนี่คือความเห็นผิดของคนทั่วไปทีนี้เรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะพ้นทุกออกจากทุก์ให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้จะต้องเปลี่ยนความเห็นผิดทั้งหมดนี้ให้มันเป็นเห็นถูกนะถ้าตาบดยยังเห็นผิดอยู่มันก็พ้นทุกไม่ได้ พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะยังเห็นผิดอยู่ทีนี้วิธีที่จะให้เห็นถูกก็นี่ไงอาศัยการฟังเนาะอาศัยการฟังอาศัยการพิจารณาแล้วก็มาปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาค่อควรแล้วว่า อ, อ๋อปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงใน4ข้อนี้ให้เปลี่ยนความเห็นผิด ทั้งหมดนั้นให้มาเป็นความเห็นถูกมันจึงไม่ได้ง่ายมันจึงจะเรียกว่าอะไระบางคนก็ยากสุดขีดบางคนก็อาจจะโอเคเคยสะสมเนอะเคยสะสมการฟังการพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วมันก็จะง่ายง่ายกว่าทีนี้เนี่ยเวลาเป็นอย่างนี้เราก็ลองดูสิคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างเขามีภูมิธรรมสูงสงเนี่ยถ้าสมมติเขาจะพูดหลักธรรมเนี่ย คนทั่วไปเข้าใจไม่ได้เลยเข้าใจไม่ได้พอเข้าใจไม่ได้ก็บางทีเขาไปตำหนิติเตียนว่านักปฏิบัติธรรมมันเพียเพ้ยนไปแล้วมันเพี้ยนไปแล้วแต่จริงอะ่ะเราเราเพี้ยนมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้ว่าเพี้ยนกลายเป็นความปกติไปเออพอผู้รู้ธรรมเขาหายเพี้ยนไอ้เรามันไม่ได้หายด้วยเนาะก็เลยยังเพี้ยนเหมือนเดิมแต่นึกว่าเราเป็นปกติ แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ปฏิบัติธรรมมันมีน้อยน้อยนิดเดียวถ้าเทียบกันกับคนทั้งหมดเนาะบางคนก็มองว่าพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันเพี้ยนไปแล้วเข้าใจผิดแล้วแต่จริงเร า, าเข้าใจผิดแต่เราไม่รูนะ้เพราะนั้นเรามาลองพิจาริกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะนี่หลวงพ่อบอกแล้วว่าเออเข้าใจผิดว่ายังไงตอนนี้สมมติว่าเรามาพูดถึงเรื่องความเป็นตัวเรานะหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยที่นั่งฟังนะ คนพูดก็ไม่มีคนพูดคนฟังก็ไม่ได้เป็นคนคนพูดก็ไม่ได้เป็นคนถามว่าเป็นอะไรก็<笑><笑>มันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นสังขารที่กำลังปรุงแต่งเพราะนั้นต้องกลับมาเรียนเรื่องขันห้าต้องกลับมาเรียนเรื่องสังขารว่าไอ้ที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยตัวกูตัวกูวกนะจริงๆมันมีห้าขันใช่ไหมละ่ะมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องรูปว่ารูปคือร่างกายร่างกายเพียงร่างกายอย่างเดียวมันก็เป็นเราไม่ได้สมมตินะสมมุ ต, นะมมติมันเหลือแต่นอนร่างมเหลือแต่ร่างกายนอนนอนยาวอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความรู้สึกแล้วก็ไม่มีสัญญาจำต่างต่างก็ไม่ปรากฏแล้วที่เขาเรียกว่าศพยมมองนะว่าศพมันเป็นเราไม่อ่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะจากเรากลายเป็นเป็นศพแล้ว เห็นหสิ่งเดียวกันเนี่ยพอขาดพอขาดขันอื่นไปอะ่ะมันก็เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นศพเาทีนี้ถ้าเอาศพนี้ไปฝังจนเน่าเปื่อยน ะ, ะรูปร่างหน้าตามันก็หายไปก็เหลือแต่พวกกระดูกใช่ไหมโครงกระดูกเนื้อเยื่ออะไรต่างๆก็หายไปหมดแล้วอย่างนี้ยังเป็นคนได้ไหมก็ไม่ได้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงกระดูกเห็นไหม เป็นโครงกระดูกความเป็นคนก็หายไปแล้วทีนี้ถ้าโครงกระดูกนี้มันหลุดล่อนออกไปอีกนะแต่ละท่อนก็กระจายกันอยู่ที่นู่นบ้างอยู่ที่นี่บ้างอันเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นโครงกระดูกแล้วแต่อาจจะเป็นกระดูกชิ้นเดียวแล้วก็ไอชิ้นอื่นไม่รู้อยู่ไหนก็ได้แต่ชิ้นเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจจะพบกระดูกแต่ไม่รู้กระดูกใครไม่มีใครแล้วตอนนี้มีแต่กระดูกไม่รู้กระดูกใครไม่มีเจ้าของแล้ว แล้วก็กระดูกนี้ถ้าสมมติว่ามามาบดมาทำให้มันเป็นผงผงผงผงผงนะก็มันก็ไม่เป็นกระดูกแล้วมันอาจจะกลายเป็นเศษเป็นเศษฝุ่นเป็นฝุ่นไปอ้าวตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาหมดแล้วจากเดิมนู่นมาเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกตอนนี้เป็นกระดูกตอนนี้เป็นฝุ่นทีนี้พอฝุ่นลมพัดกระจายจุยแต่แล้วฝุ่นมีเม็ดเล็กๆ ก, ก, ก, กระจายกัน อาจจะไม่ได้เรียกว่าฝุ่นแล้วไม่รู้จะเรียกอะไรตรงนี้ไงชี้จะเห็นว่าความเป็นคนจริงๆมันไม่ได้มีอยู่จริงที่มันมีอยู่ก็เพราะว่าเขาสมมุติขึ้นมาว่าไอ้ที่มันเป็นรูปร่างรูปทรงแบบนี้นะเขาก็เรียกว่าคนแต่โดยแท้ๆโดยตามความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีคนนี่ไงตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าทุกอย่างมัน มันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงเพราะทุกอย่างมันก็เข้าสู่สภาพนี้หมดแหละคือมันมีแล้วมันก็หมดไปเนาะไม่ว่าสิ่งที่มีมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่เมื่อมันแตกสลายเสร็จแล้วก็คือติดก็เรียกว่าต่อกันไม่ติดแล้วแยกกันอยู่หมดเลยก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่ามันมันมันเที่ยงก็ไม่ได้แล้วก็จะเรียกสิ่งนั้นว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วมันไม่มีอยู่จริง เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยเราก็ต้องมาเรียนมาเรียนก็คือมาเรียนตัวเองนี่แหละว่าที่เขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกว่ากลัวจริงๆอ่ะมันเป็นกูจริงหรือเปล่าอ่าถ้ามันเป็นกูจริงจะต้องเที่ยงใช่ไหมอืมจะต้องอยู่ไม่ตายคําฟ้าเลยกี่ปีกี่นานก็ยังทรงสภาพเดิมเอาไว้แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นตรงเนี้ก็จะเริ่มเข้าใจได้ว่าอ๋อที่แท้เออมันก็ไม่มีกูจริงๆอ่ะ มันมีกูเพราะเข้าใจผิดเพราะหลงผิด อ, อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนความเข้าใจผิดให้เป็นความเข้าใจถูกแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงกอนอย่างเรียกว่าเนี่ยที่เกิดมาเป็นเราใช่ไหมเป็นกูพอกูกูแก่กูเจ็บกูจะตายมันก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่าโกโกแย่แล้วกูจะตายแล้วแต่ถ้าเข้าใจถูกว่าไม่มีกูเข้าใจถูกว่ามันเป็นแค่ขันห้าเนาะแล้วใครจะมาทุกข์ กับขันนะมันไม่มีผู้ทุกเพะมันมีไม่มีผู้ทุกตรงนี้แหละเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อสู่ความพ้นทุก์ความไม่มีทุกอเพราะฉะนั้นมันไม่มีทุกขก็ตรงที่มีความเห็นถูกว่าไม่มีเราอเราไม่ได้เกิดมาเมื่อเราไม่เกิดมาแล้วผู้ทุกมีไหม่ะก็ไม่มีเพราะนั้นเนาะก็ปฏิบัติให้ถึงขั้นเลยให้เข้าใจถูกจริงๆไม่ได้เข้าใจถูกแค่ฟังหรือว่าแค่คิด ต้องเข้าใจถูกแบบถึงใจจริงๆเลยอ่ะว่าอืมมันไม่มีเราจริงๆนะลองถามใจตัวเองว่ามันยากไหมอ่ะทุกคนบอกโอจะฝึกได้ไหมเนี่ยยากอืมแต่ถ้าเข้าใจถูกพลิกเล็กเดียวก็ได้นะมันก็ไม่ยากอะไรพอเข้าใจถูกปั๊บเอาตัวเราไม่มีนี่ตัวเราไม่มีเนี่ยที่นั่งที่เดินเนี่ยมันเป็นแค่สิ่ง เรียกว่ามันเป็นมันเป็นขันห้าเนาะมันเป็นสังขารมันไม่ใช่เรา เ, ออเพราะนั้นวิธีที่จะฝึกให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องมีสติคือเห็นอยู่เป็นไปจำว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยที่นั่งที่เดินที่ที่นอนที่เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดทั้งสิ้นอะไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยมีแต่สิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเลยนะโดยเฉพาะทางจิตใจ จิตใจบางทีก็ดีมีความสุขบางทีก็โกรธแป๊บเดียวก็โกรธแล้วบางทีโมโหแล้วบางทีก็ดีอีกเห็นไหมคนอยู่ในบ้านบ้านตัวเองก็ประสบกันแล้วเนาะบางทีใจดี ด, ดีพูดกัน2องคำสามคําโกรธจึกอโกรธอีกแล้วจิตใจเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งพอคุยอีกหน่อยอความโกรธก็หายกลายเป็นความรู้สึกรู้สึกดีขึ้นแล้วพอใจแล้วก็เปลี่ยนอีกเห็นไหมจิตใจก็ยังเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจิตใจมันก็ไม่ใช่เรา มันก็เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วมันก็มีแล้วหมดไปมีแล้วหดหมดไปเนาะฝึกเรียนรู้ไปอย่างนี้แหละให้มันไปพร้อมๆกับการฝึกสตินี่แหละฝึกไปก็เพื่อให้รู้ว่าเห็นแล้วก็เกิดปัญญาในทางธรรมะว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะถอดถอนความเห็นผิดให้หมดถอดถอนได้เร็วมันก็พ้นทุกได้เร็วถ้าถอดถอนช้ามันก็มันก็พ้นทุกได้ช้า แต่อาจจะทุกน้อยลงมันอยู่ที่ระดับปัญญาหลวงพ่อก็พูดแบบเพื่อให้เข้าใจใ น, ในภาพภาพกว้างภาพรว ม, มไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเห็นไม่รอบแล้วก็เหมือนกับปฏิบททัติธรรมมันถึงที่สุดจะปฏิบัติไปถึงไหนถึงไหนหลวงพ่อเคยถามตัวเองเอฝึกหลวงพ่อเริ่มฝึกสติเรื่องยกมือสิบสี่จังหวะเนาะ ความรู้สึกว่าหลวงพ่อยกมือมาหลายปีแล้วไนงะตอนนั้นคิดว่าสักห้าปีได้มั้งฝึกตามรูปแบบเนาะแล้วมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่าแล้วเราจะยกมือกันนานเท่าไหร่เนี่ยมันมีจุดจบไหมเนี่ยว่ามันถึงไหนแล้วใครจะบอกได้บอกพอแล้วไม่ต้องยกมือสิบสี่จังหวะแล้วหลวงพ่อก็หาคาตอบไม่ได้แต่ก็ยังยกอยู่อย่างนั้นแหละ แต่เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเรื่องความรู้ตัวนะเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวก็คือหมายความว่าจะไม่ยกมือนะมันก็รู้ตัวเป็นนะหรือจะไม่เดินแบบไม่เดินแบบเดินจงกรมอะ่ะมันรู้ตัวเป็นหลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่ถึงจุดนี้แหละทิ้งรูปแบบได้เพราะว่ารู้ตัวเป็นก็หมายถึงว่าจะอยู่ที่ไหนนะมันก็ไม่ลืมตัว จะนั่งจะนอนไม่ว่าจะอยู่ในบ้านจะอยู่ระหว่างทางจะไปวัดจะอยู่ที่ทำงานถ้ามันยังรู้สึกตัวได้อยู่ก็นี่แหละตรงนี้ก็ถึงบอกมันมั่นใจตัวเองว่าไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เออเี่ยเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็บอกใครกันไม่ได้อ่ะนะมันจะต้องเห็นด้วยตนเองว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกตัวเพียงพอแล้วอย่างที่จะทิ้งแบบมันไป แต่ถ้าไม่มั่นใจก็เดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะเดี๋ยวมันก็ยังยกมืออยู่แต่ถามว่าตอนนี้ยังยกมือไหมก็ยกแต่ว่ามันไม่เหมือนก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยกมันยกอีกแบบหนึ่งยกเหมือนกับว่าให้เรารู้สึกตัวแต่ตอนนี้ยกก็ถือว่าเป็นอินิยาบทเนาะมันง่วงบางทีสมมติว่าออนั่งเฉยๆแล้วมันง่วงมันซึมอะก็ยกมือเพื่อให้จิตมันตื่นรู้หน่อยให้มันตื่น จะได้ไม่ต้องมานั่งทรมานกับความง่วงนะเพราะว่าเวลาง่วงเนี่ยแล้วเวลาให้มันเวลามันฝืน่ะเช่นมันง่วงในระหว่างเราฟังคำบรรยายหรือว่าฟังธรรมอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมากมันทรมานแต่ถ้าให้ตื่นแี่ก่อนไม่ต้องง่วงเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์กับความง่วงเหมือนกับว่าไม่ต้องไปไปไปไปอะไรนะไปฝืนมันเมื่อมันไม่ง่วงคือไม่ต้องไปฝืนให้มันให้มันตื่นเพราะมันตื่นอยู่แล้ว เพราะนั้นการตื่นก็ทำให้ไม่มันเหมือนกับว่ามันไม่ไม่มีทุกข์บิบคั้นอะ่ะเออมันรู้สึกว่าเออหูหูตาแจ้งสดใสอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องแก้มันเสียก่อนก่อนที่มันจะครอบงำก็คืออาจจะนั่งยกมือหรืออาจจะนั่งเคลื่อนไหวให้ตัวกันไหวหน่อยอะไรเนี้ยอ่ากเรียกว่าเพื่อเ อ, อ่อทำเหตุให้ความว่วงมันหายไปเพราะนั้นเรื่องยกไม่ยกก็ตรงนั้นก็ไม่ยกก็ได้ไม่ยกก็ได้ แต่ว่าการยกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนทีนี้ความรู้สึกตัวก็ต้องอาศัยในนักฝึกให้มากทุกอิริยาบถจะเดินเพราะว่าเวลาเราเดินน่ะมันเดินแบบตามรูปแบบก็มีใช่ไหมอย่างเวลาเข้าคอร์สอย่างเงี้ยต้องเดินตามรูปแบบคือเดินในที่ที่กําหนดเอาไว้แต่ถ้าเรามีความเพียรในการรู้สึกตัวจะเดินอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็ให้รู้ตัวอยู่ รู้ตัวรู้ตัวเพราะมันเดินอยู่แล้ววันวันเนี่ยเดินตั้งเยอะนะเดินก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ก็คือเนี่ยมันระลึกได้คือมันไม่ลืมแล้วก็รู้ไปรู้ไปรู้ตัวระหว่างรู้ตัวมันก็รู้รู้จิตรู้ใจได้อยู่แล้วเพราะว่าระหว่างเดินมันก็มีความคิดใช่ไหมมีความคิดมีความรู้สึกอะไรมากมายมีความรู้สึกในใจก็รู้ได้ทีนี้เมื่อรู้ได้อย่างเงี้ยโยมลองแยกอ่าก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามเนาะ เมื่อก่อนนะ่มันแยกไม่เป็นหรอกเพราะว่าเราไม่เข้าใจไงไม่เรื่องรูปเรายังไม่เข้าใจเลยนามเราก็ยังไม่เข้าใจเลยนี่หลวงพ่อก็บอกให้เลยรูปก็คือรูปร่างกายนะรูปร่างกายการที่เห็นด้วยตาเนี่ยบางทีเราสมมติว่าเราก้มมาดูตัวเองเนี่ยมาก้มดูแขนดูขาดูอะไรเนี่ยมันเห็นด้วยตาสิ่งทูกเห็นนี่เขาก็เรียกว่าเป็นรูปได้เหมือนกันนะเป็นรูปที่ที่มองเห็นด้วยตา แต่ทีนี้ถ้ารูปที่มองเห็นด้วยใจอ่ะคือไม่ได้เอาตามองแต่มันเห็นภาพเป็นรูปได้นะจริงๆมันมีอยู่แล้วทุกคนแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจมันนะมันมีรูปอยู่แล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะจะยกตัวอย่างให้ดูนะมันเป็นรูปคือมันเป็นความจำได้ไงความจำได้อาจจะจำได้จากที่ตามองเห็นเนาะเคยเห็นรูปตัวเองอย่างคร่าวๆมาก่อนเช่นเห็นรูปตัวเองในกระจก แล้วมันก็จำได้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยหน้าตาแบบไหนยังไงนะรูปทรงยังไงอ้วนผอมยังไงเออมันจาได้ทีนี้พอจำได้เสร็จแล้วต่อมาเราไม่ต้องมองด้วยตาแต่ความจำได้เนี่ยมันก็จำรูปตัวเองได้ทีนี้การจำรูปตัวเองได้เนี่ยหมายความว่าจิตเนี่ยมันจะต้องปรุงแต่งให้เป็นรูปขึ้นมาด้วยเป็นรูปเราเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปเรามันปรุงแต่งได้ก็เพราะมันมีสัญญามาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว มันก็ปรุงแต่งเป็นรูปตามสัญญาเลยจำมาได้อย่างไงมันก็ปรุงอย่างนั้นพอปรุงเป็นรูปเสร็จแล้วมันก็มีการเห็นขึ้นมาเห็นรูปเห็นรูปที่มันสร้างมันปรุงขึ้นมาเนาะพอเห็นรูปแล้วจริงๆริะรูปที่มันปรุงแต่งขึ้นมาทางใจนะทางจิตทางใจมันไม่เหมือนกับรูปทางตาถ้ารูปทางตาเวลามองเนี่ยมันมองได้นานมองได้ชัดรูปไม่เปลี่ยนแต่มันก็เละเหมือนกันนีเพ่งเช่ว่าเล็ง มองด้วยตาเนาะมองไปนานๆเนี่ยมองไปมองมามันเบลอจากมันชัดมันก็เป็นมองไม่ชัดอมันเบลอนั่นเท่ากับว่ามันเปลี่ยนเหมือนกันแต่ถ้ารูปที่มันเกิดจากสัญญาแล้วมันปรุงแต่งให้เป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยมันบางเบามากมันบางทีเหมือนกับมันแวบเดียวแล้วก็หายเลยบางทีอาจจะให้มันทรงก็เรียกว่า เพ่งทำเขาแล้ว่าปรุงแต่งให้มันตั้งอยู่นานแต่สุดท้ายไม่นานหรอกแป๊บเดียวแล้วก็เลือดับหมดเลยรูปนั้นก็ดับหมดอ่าทีนี้อ่าทีนี้นะมาตอนนี้เนาะให้เห็นรูปรูปคืออะไรถ้าเห็นด้วยตาก็เห็นเป็นรูปได้แต่การปฏิบัติธรรมชั้นลึกต้องเห็นรูปที่เกิดจากความปรุงแต่งของจิตอ่าเขาเรียกว่าเป็นนา ม, มารูปอ่ะเออเป็นรูปที่เกิดจากจากนามจากความปรุงแต่งของจิตทีนี้ อา้าวโยมมองตัวเองดิสมมติว่าโยมไม่ใช่ตาดูโยมอยู่ในท่าไหนเนี่ยมันรู้ตัวเองหมดแหละเช่นตัวเองยืนอยู่มันก็รู้ว่ายืนมันรู้ทั้งตัวแหละแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยมันไม่เหมือนกับตาเห็นแต่มันเข้าใจได้แหละนั่งอยู่เนี่ยมันรู้ได้นะ่ะเออหรือยืนอยู่ก็รู้ได้นอนอยู่ก็รู้ได้จะไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถไหนนะถ้ามีสติมันรู้มัน ร, รู้รูปได้หมดเลยนะเห็นตัวเองเป็นรูป หรือหลวงพ่อจะยกตัวอย่างรูปที่ที่ไม่ใช่รูปตัวเราก็ได้แต่เป็นรูปอย่างอื่นจริงๆมันมีหมดแหละแต่เราไม่ไม่รู้จักมันเองเช่นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเช่อนอยู่ที่ทํางานนะพอเราคิดถึงบ้านใช่ไหมมันจําได้นี่ว่าบ้านเรามันเป็นยังไงหรือบ้านคนอื่นเป็นยังไงมันจําได้พอจําได้เสร็จแล้วพอมันไปคิดถึงคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรเนี่ย ไอสัญญาเนี่ยมันก็ปรุงแต่งให้เป็นรูปบ้านขึ้นมาพอเป็นรูปบ้านแล้วมันก็จะปรุงแต่งหมดเลยตามที่จําได้อันแหละเออเป็นยังไงยังไงมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการเห็นรูปขึ้นมาในจิตในใจเลยเห็นรูปแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเหมือนตาเห็นแล้วก็รูปนั้นก็แวบเดียวผ่านไปแล้วก็เกิดใหม่แวบเดียวผ่านไปนี่เขาเรียกว่าเห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปที่เห็นด้วยตาในเนาะเห็นด้วยจิตเห็นด้วยสติเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้ แล้วก็ความคงที่ของรูปเนี่ยแปบ๊บเดียวเปลี่ยนนี่เขาเรียกว่ารูปเปลี่ยนเกิดดับรูปเปลี่ยนแปลงนะอันนี้รู้จักรูปเลยนะอ่าส่วนนามนามคืออะไรนามก็คือความคิดความรู้สึกนะความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกทางใจอย่างเช่นความรู้สึกโกรธความรู้สึกชอบความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกวิตกกังวลนะอันนี้มันเป็นฝ่ายนามธรรมาก็มีอยู่ ทีนี้เราไม่รู้จักเองไงพอเราไม่รู้จักเสร็จเราก็ไม่รู้จักว่าน้ําคืออะไรเอาน้ําก็คือความคิดยมลองดูสิเวลามันคิดนะเวลามันคิดเนี่ยตอนที่มันเราอาจจะไม่เห็นในปัจจุบันแต่เราอาจจะพอจําได้ว่าเวลามันคิดเนี่ยมันคิดมาเป็นประโยคนะเหมือนกับพูดได้อะ่ะมันพูดในใจอะ่ะเออเวลาคิดถึงใครมันก็ก็พูดขึ้นมาว่าเอออ ย, อย่างง้นอย่างนี้อย่างเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดมันก็เหมือนกับการพูด ใช่ไงอ่ะเอาเป็นงี้ครับความคิดก็คือมันพูดมันพูดในใจมันพึมพำเงึมงํามันบน่นมันจู้จี้จุ ก, จกยิกยุกยิกอะไรเนะนะนี่ยเนี่ยไอเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความคิดแล้วก็พอมันคิดหลายๆขณะมันก็เป็นเรื่องราวขึ้นมาแต่จริงๆความคิดมันก็มีแค่ขณะเป็นขณะเป็นขณะเนาะแต่พอหลายขณะปั๊บมันก็เป็นเรื่องราวขึ้นมาเลยอันนี้คือความคิดความคิดก็เป็นนามธรรม ความรู้สึกหลวงพ่อก็บอกแล้วเป็นความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นหงุดหงิดบ้างรําคาญใจบ้างปุ้งซ่านบ้างเอเล็ที่มันชอบบ้างไม่ชอบบ้างนี่คือเป็นเป็นอาการของของจิตเหมือนกันก็เป็นนามธรรมาทีนี้อันนี้หลวงพ่อพูดชี้บอกทางแล้วซึ่งทุกคนมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้จักทีนี้เมื่อรู้จักแล้วโยมลองดูอย่างนี้รูปก็รู้จักแล้วและก็นามรู้จักแล้วทีนี้มาเทียบระหว่างรูปกับนาม ว่ามันเหมือนกันไหมก็ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันแน่นอนรูปคือลักษณะอย่างนั้นนามคือลักษณะอย่างนั้นความรู้สึกแต่และอย่างมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ลองดูสิว่าทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันคงที่ไหมมันเกิดแล้วดับไปไหมหมดไปไหมเออพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดเข้าใจอ้าวนี่แยกรูปแยกนามรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ แล้วก็มองต่อว่ารูปอย่างเดียวมันเป็นคนได้ไหมล่ะเหนถ้าถ้ารูปที่เห็นด้วยใจเนี่ยที่มันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตใจนะมันไม่ได้เป็นคนหรอกมันเป็นเงาเงาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายวับวับเบเแล้วก็หมดไปเห็นไหมมันไม่ได้เป็นคนนะแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดมันก็ไม่ได้เป็นคนมันความคิดมันไม่มีอยู่ไม่มีตาไม่มีจมูกมันเป็นคนได้ไงความคิดก็คือก็คือความคิดมันเป็นสังขารเกิดดับเหมือนกัน ความรู้สึกก็ไม่เป็นคนเพราะว่ามันไม่ครบองค์ประกอบของคนใช่ไหมความรู้สึกเป็นสุขมันก็เป็นแค่อาการเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่คนเพราะเป็นอย่างเนี้ยตากลว่าอ๋อในร่างกายจิตใจเนาะมันก็มีแต่สิ่งนี้แหละที่แปรปวนอยู่ตลอดทีนี้หลวงพ่อก็ใหญ่ชี้ให้เห็นว่าแล้วอะไรล่ะมาแยกอะไรมาแยกรูปอะไรมาแยกนามอันนี้แหละเขาเรียกว่าตัวสติ ตัวสติที่รู้อยู่เห็นอยู่แลอยู่สติเห็นรูปใช่ไหมสติระลึกรู้ว่าเออรูปมีแล้วเกิดขึ้นแล้วนี่สติเป็นผู้ตามเห็นเป็นผู้ตามดูนามเกิดขึ้นก็สติเป็นผู้ตามเห็นเป็นผู้ตามดูคือเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเพราะนั้นการแยกรูปแยกนามเนี่ยมันไม่ใช่เอาาเอาตัวเรามาแยกแต่มันมีสติระลึกได้ก็เลยเห็นความแตกต่างระหว่างรูปกับนามว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน มันก็เลยเข้าใจว่าไอ้ตัวสติเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อรูปกับนามเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะที่แยกรูปแยกนามก็คือต้องแยกด้วยสติปัญญาถ้าเราไม่ฝึกเรามาเอาตัวเรามานั่งแยกเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจได้แต่ถ้ามาฝึกแล้วมีผู้ชี้บอกมันก็จะง่ายขึ้นว่าอ๋อไอ้ตัวแยกนี่คือตัวสตินี่ถ้าไม่มีสติมันรูปมันก็ยังไม่รู้เลยนะถ้าไม่มีสติเนี่ยรูปที่เกิดขึ้น่ะ มันก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเลยถ้าไม่มีสตินามเวลามันเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นมันยังไม่รู้ไม่เห็นเลยมันก็ไม่มีทางที่จะรู้จักนามได้เพราะนั้นการที่มันรู้จักรูปรู้จักนามได้ก็เพราะมีสติแล้วสติปัญญาเนี่ยมันก็สามารถที่จะแยกได้ว่ารูปกับนามเนี่ยเป็นคนละสิ่งกัน ทีเนี้ยไอ้ที่หลวงพ่อเล่ามาเนี่ยมันยังมีการเจตนาจงใจเนาะแต่ว่าก็พอเข้าใจได้คือเขาเรียกว่าเข้าใจตามแต่ถ้าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเห็นรูปเห็นนามโดยไม่เจตนาก็มีมันเป็นเองนะแล้วโยมก็จะเข้าใจเองว่าเวลามันเป็นเองเนี่ยคือมันไม่มีผู้เจตนาไม่มีผู้พิจารณาแต่มันเกิดขึ้นเองมันเป็นเอง จึงได้เกิดปัญญาอีกอันหนึ่งว่าอ๋อให้ความเป็นเองนี่เนอคือเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เจตานามันก็ยังมีตัวจงใจตัวพิจารณาเป็นอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งส้นเองทั้งที่ไม่เป็นเองมันก็คือสังขารเท่ากันคือมีแล้วหมดไปนะตรงนี้ก็หลวงพ่อก็เลยชี้บอกให้ถึงเรื่องการแยกรูปแยกนามก็ตามประการที่เล่ามานี่